เมื่อขันทั้งหลายมีอยู่คือเมื่อรูปประขันมีอยู่เมื่อเวทนาขันมีอยู่เมื่อสัญญาขันมีอยู่เมื่อสังขารขันมีอยู่สมมุติว่าสัตว์จึงมีได้ฉนั้นนะนะพัน ท, ที่เราสมมุติกันว่าเออนี้คนนั้นนะนี่คนนี้นะนั่นใครนั่นผู้ใดฐานะยศตำแหน่งอะไรก็ตามความจริงก็คือขันห้าที่ประชุมกันขันห้าประชุมกันใครที่มีความเห็นอย่างนี้นะความเห็นของเขาบริสุทธิ์ ทำยังไงนาะเราจะมีความเห็นเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้คือเขาบอกว่าเอ๊ะมันทาอย่างนี้มันทำได้หรือเรานึกถึงใครเนี่ยเรารู้ชื่อเขาได้เหมือนกับรู้ชื่อเขาทั้งวันทั้งคืนไหมเหมือนไหมเราถึงนึกถึงหน้าใครเราก็รู้ชื่อเขาอยู่แล้วโดยธรรมชาติของความเข้าใจใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันเรานึกถึงอะไรแต่ความเข้าใจว่าเป็นขันห้าเราไม่มี อันนี้แหลเรียกว่าวิจารณญาณวิบัตินเรียกว่าทิฏฐิวิบัตินะมันเป็นความผิดทางทางทิฏฐินะเป็นความผิดทางความเห็นซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงปฏิบัติอยู่ในมิจฉาปฏิปทาปฏิบัติอยู่ในมิจฉาทิฏฐิโดยมากที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่ทําปริญญาในสิ่งที่เขาเขาคิดถึงเลย เขาไม่ทำปริญญาในสิ่งที่เขาเห็นเลยในสิ่งที่เขาได้ยินเขารู้กลิ่นทุกทวารทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ผ่านมาในอดีตหรือสิ่งที่จะมีต่อไปในอนาคตเขาก็ไม่มีการทำปริญญาเขาไม่มีการพิจารณาให้รอบรู้สิ่งเหล่านี้เลยั้นพระวชิราพิสุณีท่านก็กล่าไวไว้ได้ชัดเจนใช่ไหมความจริงก็คือขันเหล่านี้ประชมกัน คำสมมุติว่าเป็นสัตว์จึงมีได้นี้มาดูคําที่พระสารีบุตรเทระกล่าวไว้บ้างว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าอากาศอาศัยไม้อาศัยเถาวนอาศัยดินและอาศัยหญ้าล้อมรอบ จึงถึงความนับว่าเรือนทีเดียวฉันใดอันนี้บ้านโบราณนะบ้านสมัยใหม่ทําไงตอกปันจัน ต, ก ต, กตึมตึมตึมหนังเรียกว่าลงเข็มใช่ไหมพอลงเข็มเสร็จก็เอาผูกมัดโครงเหล็กแล้วก็เทปูนเทปูนแล้วก็เทปูนอยู่เนี่ยแหละก็ร่างสร้างตัวแบ่งเป็นห้องเป็นพักก็เสร็จแล้วก็เรียกว่าตึกคอนโดอะไรก็ว่าไปเรียกว่าบ้านช่องห้อง ห, อ, งหอนี้เทาห้านี้ บ้านเดียวอะไรก็ว่าไปนะก็คือการถ้าผสามภาระองค์ประชุมองค์ประกอบเหล่านั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าบ้านเรือนตึกเป็นต้นชั้นใดเนี่ยนะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอากาศรอบตัวเราเลยนะทั้งหมดนี่มีอะไรอากาศหุ้มอยู่อากาศล้อมรอบอยู่ทีนี้ข้างในเกนลือแก่นของร่างกายคืออะไรกระดูก กระดูกแล้อะไรให้รัดให้กระดูกมันไม่หลุดจากกันแ่ะกระดูกมีข้อๆอยู่ไว้ก็อาศัยเอ็นเนี่ยมันดึงๆแล้วเอ็นนี่มันดึงที่ไหนดึงที่กล้ามเนื้อเป็นต้นให้ผูกมัดเอาไว้แล้วก็หนังเนี่ยมาหุ้มห่อเข้าก็เลยเรียกว่ารูปประกายสรีระกายก็ฉันนั้นเหมือนกันทีเดียวคิดอย่างนี้นนบอกว่ชีวิตนี้มันแค่นี้ห ร, หรืออย่างนั้นนะ อุตสา่าห์ธนูธนอมเลี้ยงดูบำรุงอาบน้ำวันตั้งหลายอาบน้ำวันละสองครั้งกินข้าวให้วันละสามรอบโู้ยประดับประดาตกแต่งทั้งวี๋ผมทั้งขัดเล็บทาแปรงฟันโอ้ยดูแลสรารพัดวิจัยไปวิจัยไหมไม่มีอะไรนี่แสดงว่าถูกลูกหลอกหลอกมานานนะใช่ไหมถูกเวทนาหลอกมานานถูกสัญญาหลอกมานานถูกสังขารหลอกมานานถูกวิญญาณหลอกมานานถ้ารู้อย่างนี้ควรแก่การประหารที่สุดเลยนะโทษนี้ถึงตาย ถ้ามีใครไม่คิดประหารฉันธราค่าในสิ่งเหล่านี้คนนั้นเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเพราะว่าไอฉันธราคะเนี่ยนะมันคือศัตรูที่ล่อไปสู่พบใหม่ใช่ไหมบอกโอ้ดีนะดีนะเออเอาไหมดีแล้วก็บอกเออดีดีปั๊ก็เกิดพบใหม่นะนะโอยนึกว่าดีจริงอะนะที่ไหนได้คล้ายๆกับแบบสมัยใหม่ที่ก็มีข่าวคึกโครมมากก็ชวนไปค้าประเวณีต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกก็เหมือนชวนไปดีแหละตอนหลังอ้า ที่ไหนได้ไม่ดีจริงนี่หลายๆเรื่องก็ลักษณะเดียวกันมีคนไทยหลายคนที่เขาอยากไปทำงานต่างประเทศเขาไปสมัครงานบางบริษัทบอกรายได้ดีบงทีไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้กินอะไรก็มไม่รู้ดีไม่ดีไปตายแต่เขาไม่พูดถึงตายกัน แ, แ, แล้วกันไปชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นไปในวัฏฏะก็ <c oughs> ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เราก็คิดว่ามันดีเนี่ยนะก็หลงเกิดนะของเราทุกคนนี่จะคิดเหมือนกันหมดนะชาติหน้าคงดีกว่าชาตินี้หวังลึกๆในใจใช่ไหมคงไม่เลวกว่าชาตินี้หรอกมันต้องดีกว่าชาตินี้แต่บอกตรงๆว่าคุณเกิดเป็นมนุษย์นะทําใจไว้เถอะเลวกว่าตอนนี้ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในพบใหม่นะ <c oughs> คุณดูทีเด็กเนี่ยนะโรคสมาธิสั้นเกลื่อนเมืองไปหมด <c oughs> จริงไหมคุณหมอ เ, ออเด็กมันโรคสมาธิสั้นไปหมดเลยมันนั่งขยุก ข, ขยิบ ข, ขยุกยิกดูแต่การ์ตูนอย่างเงี้ยเออโตขึ้นมาเนะี่ยถ้าเราเป็นเด็กนะเราจะไม่ดูการ์ตูนหรือโอ้ยยังไงก็ป๋าเป็นอย่างนั้นแหละแล้วถามว่าเกิดแล้วมาทำมาทามาหากินอะไรคนี้กว่าจ ะ, จะเจริญเติบโตมากินอะไรพูด ต, งตรงๆเลยนะมันนุ่งยังไงมันนุ่งห่มยังไงมาใช้ชีวิตยังไง ที่หรือว่าเราจะดมแบบเปล่าๆมันก็ดมอากาศแบบมีสารพิษเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็เชื่อเถอะถ้าเกิดคิดว่าหวังว่าเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าจะดีกว่าชาตินี้นะทําใจให้สบายเถอะ <laughs> เพราะมันไม่สบายอย่างที่คิดแน่จะได้รุ่งเรืองไม่มาไงนะไปทําใจให้สบายหรือเปล่าไม่รู้ดูเครียดแถวสาแก้วก็ไม่รู้ะนะสะรุปว่า กายเนี่ยนะมันเป็นที่รวมของอวัยวะน้อยใหญ่เป็นที่รวมของอะไรน้อยอะไรใหญ่เช่นผมขนเล็บเป็นต้นเนี่ยเอามาประกอบกันเรียกว่ารูปนะรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกว่าเป็นทุกข์นะไม่รู้สึกหรือว่ามันจริงแต่คาว่ารู้สึกแปลเป็นบาลีว่าเวทนา มันไม่ใช่รู้สึกแบบเดานะไม่ใช่คาดว่าเดา ว, ว่ากะว่าไม่ใช่นะรู้สึกมันมันทุกข์จริงๆ ร, รู้สึกคือเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์แปลเป็นไทยๆว่าความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่อรู้สึกตัวนี้แปลว่าจริงๆมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาขอมานะตั้งแตมีร่างกายมาเนี่ยคิดหาส่วนไหนที่มันไม่เคยปวดน่าจะไม่มีหรอกนึกไม่ออกเลยนะ ใครหาเจอบ้างในตัวเกิดมาแล้วไม่มีเคยมีความรู้สึกว่ามีปัญหาเลยส่วนนั้นๆของร่างกายอานะ่ะตั้งแต่ศีรษะเนี่ยจรดเล็บเนี่ยใครมีความรู้สึกโอดีเยี่ยมเลยมันไม่เคยสร้างปัญหาให้แม้แต่ครั้งเดียวใครมีนะโอ้โหทาบุญอะไรมาเนาะเนี่ยนะเพราะมาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนึกถึงศรีรษะนะก็ยังเคยคันเคยเกาเคยปวดเคยร้อนเคยเหงื่อแตกใช่ไหมนึกถึงหูก็เคยปวดหูนึกถึงหน้าผากก็เคย เป็นแผลเป็นสิวเป็นต้นนึกถึงตาก็เคยเจ็บตานึกถึงจมูกก็เคยเจ็บจมูกคิดถึงฟันก็เคยถอนฟันเป็นต้นเนี่ยนึกถึงตรงไหนไม่มีปัญหาไม่มีเราก็ไล่ไปในร่างกายเพราะทุกแห่งทุกแห่งทุกแห่งมันคือรูปรูปคือธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปเนี่ยนะยิ่งดูยิ่งเห็นความสลาย เพราะฉะนั้นพระวชราภิสุณีท่านจึงกล่าวแม่อีกสูตรหนึ่งว่าความจริงทุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนะนะทุกจริงไหมเออทุกความจริงทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกในโลกมีกี่อย่างหนึ่งทุกขะทุกสองวิปริณามทุกสามสังขาราทุกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นมันเกิดเองเลยอยใช่ไหมมันนึกอยากเกิดมันก็เกิด ไม่ใช่ทุกขตาสามทุกขทุกวิปรินามทุกสังขารทุ ก, ทกเกิดตามปัจจัยทุกเท่านั้นแหละที่มันตั้งอยู่ตั้งอยู่เพราะปัจจัยมันอุปธรรมมันก็เลยตั้งอยู่ได้พอสิ้นปัจจัยทุกทั้งหลายก็ดับไปสรุปว่านอกจากทุกหามีอะไรเกิดขึ้นไห่ พูดแบบง่ายๆนะนอกจากสมมุติว่าถ้เห็นเด็กคลอดออกมาว้าวนอกจากกองทุกไม่มีอะไรคลอดออกมาหรอกนะไม่กองทุกแต่นะคลอดออกมาแล้วแล้วก็ที่ดําเนินไปรอวันตายก็คือกองทุกนั่นแหละเดินได้กองทุกนั่งได้กองทุกยืนได้กองทุกนอนได้แล้วตายหายไปจากโลกก็กองทุกนั่นแหละ แตกทำลายไปแต่พูดแบบคนทั่วไปนะทิ้งกองทุกอันนี้แล้วก็ก้อนทุกกระโคลอดออกมาใหม่อีกเนี่ยนะเพื่อไปแบกทุกต่อไปแล้วก็ป้าอย่างเงี้เสร็จ แ, แล้วก็ทิ้งกองทุกนี้ก็ถือเอากองทุกอันใหม่ไล่ไปเรื่อยจบที่ไหนดีเมื่อไหรจะจบพูนเวลาวันโอ้ยังนี่เริ่มต้นเริ่มต้นศึกษาเพื่อดับกองทุกเนี่ยนะนะอีกนานกว่าจะดับได้ ไม่แน่นะผู้มีบุญอาจจะดับได้ก็ได้ฟังแล้วบอกุ้ยเบื่อแล้วไม่เอาแล้วเข็ดแล้วอย่างเงี้นะสาธุขอให้จริงเถอะปัญหาปั๊บเนี่ยนะบอกอุย้ยทุกทุกบอกว่าพักปั๊บเนี่ยนะมีน้ำรออ ร, อร่อยอร่อยรอไงนะรีบเลยอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรก็มีลิ้นอีกต่อไปก็แล้วกัน น, นะว่ามีอะไรให้ดูหนะน่อยน้อๆดูหน่อยก็มีตาอีกต่อไปเนี่ย ก็สรุปว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหนะที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นแหละที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรแตกทําลายไปเพะนกองทุกข์ทั้งหลายคลอดออกมาแล้วกองทุกข์ทั้งหลายดําเนินไปแล้วก็ในที่สุดทอตายทอดทิ้งสริระก็กองทุกข์นั่นแหละแตกทําลายไปแต่กองทุกข์อันนี้เกิดขึ้นทําบาปไว้มหาศาลนี่สิทำไงแล้วกันนี้ น, นะนะกองทุกแล้วมันกอนี่เอาไว้นี่นีมันพบใหม่มันจึงไปยาวเนี่ยนะสังสารวัตมันก็เป็นไปอย่างนี้แหลเพราะฉะนั้นพระสูตรหลายร้อยสูตรได้แสดงแล้วว่ามีแต่นามรูปเท่านั้นมิได้ทรงแสดงว่ามีสัตว์มิได้แสดงว่ามีบุคคลตามประการดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าเมื่อองค์เครื่องประกอบทั้งหลายมีเพลาล้อประทุนเงาะ งอนเป็นต้นตั้งอยู่โดยประการหนึ่งง อ, งอนหรืองอนงอนนะนรถโบราณนี่เลยเรียกไม่ก็ถูก <c oughs> โักว่าโวหารว่ารถเท่านั้นมีอยู่ <c oughs> เมื่อบุคคลตรวจสอบองค์แต่ละองค์ไปชื่อว่ารถหามีอยู่โดยประมัิไม่ฉันใดอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่า เมื่อเครื่องประกอบเรือนมีไม้เป็นต้นตั้งล้อมอากาศไว้โดยประการหนึ่งอยู่สักแต่ว่าอศักแต่โวหารว่าเรือนก็มีอยู่เท่านั้นชื่อว่าเรือนหามีอยู่โดยประมัดไม่ฉันใดอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วหัวแม่มือเป็นต้นตั้งอยู่โดยประรโดยอาการหนึ่งสักแต่โวหารว่ากำปั้นเท่านั้นมีอยู่ชื่อว่ากำปั้นหามีอยู่โดยประมัดไม่ฉันใด อันหนึ่งเปรียบเหมือนว่ามเมื่อ yourself, เครื่องประกอบพินทั้งหลายมีรางพินเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการหนึ่งสักแต่โวหารว่าพินก็มีอยู่ชื่อว่าพินหามีอยู่โดยประมัดไม่ฉันใดอันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมื่อองค์แห่งกองทัพมีพลช้างพลม้าเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการหนึ่งสักแต่โวหารว่ากองทัพเท่านั้นมีอยู่ชื่อว่ากองทัพหามีอยู่โดยประมัดไม่ฉันใด อันหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเมื่อองค์ประกอบเมืองมีกำแพงเรืองซุ้มประตูเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการหนึ่งสักแต่โวหารว่าเมืองเท่านั้นมีอยู่ชื่อว่าเมืองหามีอยู่โดยประมาติไม่ฉันใดก็จริงนะใครบอกคนที่เข้ามากรุงเทพเข้ามาคุยกันนะกรุงเทพมันอยู่ตรงไหนกันแน่ว่ามันเที่ยวหานะตกลงกรุงเทพอยู่ตรงไหนตรงไหนดีตรงนี้ใช่ไหมเอาที่คุณนั่งเรียกเก้าอี้นี่ นะตกลงแล้วกรุงเทพก็ไม่มีติบอกมีอยู่โดยโวหารก็อาศัยอะไรอาศัยอะไรเขตหลายๆเขตมาแบ่งรวมกันใช่ไหมเขตหลายเขตมารวมกันเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยนะแล้วแต่ละเขตก็ยังมาแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งซอยอันนี้โวหารว่ากรุงเทพมีได้อย่างนี้ขันทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสัตว์ก็เนื่องจากการประชุมนะอย่างที่เราว่าเออเนี่ยคนคนนี้อ่านอย่างพี่ต่อยอย่างเงี้ยนะก็ขันห้าประชุมกันโวหารเรียกว่า วิตอยก็มีขึ้นหรืออีกในหนึ่งนะเปรียบเหมือนว่าเมื่อองค์ประกอบต้นไม้มีลำต้นกิ่งใบเป็นต้นตั้งอยู่โดยอาการหนึ่งสักแต่โวหารว่าต้นไม้เท่านั้นมีอยู่เมื่อบุคคลตรวจสอบส่วนย่อยแต่ละส่วนไปชื่อว่าต้นไม้หามีอยู่โดยประมัดไม่ฉันใดคาว่าต้นไม้ก็ยังเป็นคาเรียกรวมใช่หมรากใช่ไหยคือต้นไม้ สะเก็ดใช่ไหมคือต้นไม้กระพี้ใช่ไหมคือต้นไม้แก่นใช่ไหมคือต้นไม้กิ่งใช่ไหมคือต้นไม้ใบใช่ไหมคือต้นไม้ยางเหนียวใช่ไหมคือต้นไม้ผลใช่ไหมคือต้นไม้ดอกใช่ไหมคือต้นไม้ช่อใช่ไหมคือต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่มีสิมีโดยโวหารมีโดยโวหารในโลกนี้เป็นอย่างนั้นเมื่ออุปาทานขันห้ามีอยู่สัตว์แต่โวหารว่าสัตว์บุคคลเท่านั้นมีอยู่ เมื่อตรวจสอบธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างชื่อว่าสัตว์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเราเป็นหรือเรามีดังนี้ฮะมีอยู่โดยประมัดไม่ฉันนั้นเหมือนกันอย่างสมมติถ้าใครมีความคิดว่าความคิดตัวนี้เป็นเราใช่ไหมความรู้เวทนาหรือเป็นเราไม่ใช่สัญญาใช่ไหมเป็นเราไม่ใช่สังขารใช่ไหมเป็นเราตัวความคิดใช่ไหมเป็นเราอ้าวแล้วอะไรคือเราล่ะอะไรคือเรา เ, เราก็ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าแม้กระทั่งไอ้ความคิดอันนั้นก็เกิดจากปัจจัยเกิดจากปัจจัยแต่ว่าในโลกของปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่ยังต้องยาวแต่ว่าในที่นี้เป็นการค้นคว้าจนไม่มีคําว่าเราไม่มีคําว่าเป็นของเราอะไรมีแต่สภาพที่เป็นจริงคือรูปนามขันห้าขันอายตนะธาที่ประชุมกันเท่านั้นเองมีแต่การประชมกันเท่านั้นเอง ก็ความเห็นของพระโยคาวจรนี้ผู้เห็นอยู่ตามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่ายะถาภูตยาณทัศนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นว่าขันห้ามีอยู่ตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามความเป็นจริงนะแต่ของเราไม่ค่อยเห็นตามเป็นจริงใช่ไหมเห็นว่าอะไรเห็นว่าป้าเป็นสีเห็นว่าป้ามารสีก็เห็นไปเรื่อยใช่ไหมและเห็นอย่างนี้ได้ดีนั้นมีคนได้ดีไปเยอะแล้ว บางคนเห็นมาอย่างนี้เป็นเจ็ดสิปีแล้วใช่ไหมก็ยังอยู่ตามเดิมอย่างเงี้ยนะเพราเห็นอย่างนี้ไม่ดีจริงแต่เห็นแล้วดีจริงเห็นเป็นยังไงเห็นว่าขันประชุมกันธาตุประชมกันอายตนะประชมกันสิ่งที่เกิดจากปัจจัยประชมกันเพื่อประชุมปัจจัยเป็นไปความเห็นอันนี้จึงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเห็นเห็นตามที่มันมีอ่ะนะเห็นขันตามที่มีจริง เห็นอายตนะตามที่มีอยู่จริงเห็นธาตุตามที่มีอยู่จริงเห็นนามรูปที่ตามที่มีอยู่จริงอย่างนี้เรียกว่ายะถาภูตยานัทสนะหรูอเห็นตามความเป็นจริงแต่ว่าตรงๆนะพวกสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยเห็นตามเป็นจริงอานนะแล้วเห็นให้เป็นอะไรเห็นให้เป็นขันเป็นอายตนะเป็นธาตุแต่ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารเป็นที่ตั้งแห่ง อเอาไว้เรียกขานกันเอาไว้พูดคุยกันนะเป็นเป็นสื่อเอาไว้สนทนากันไม่งั้นคุยกันไม่รู้เรื่องเออมีหลังค า, านะกระเบื้องมันรั่วบ้านใครท่ะนฟังแล้วงงไปหมดเลยใช่มเพราะฉะนั้นทิ้งทิ้งบัญญัติไปหมดก็ใช่ว่าจะดีแต่ในขณะเดียวกันบัญญัติเหล่านี้เอาไว้สื่อกันเท่านั้นแต่ในโลกความเป็นจริงก็ต้องรู้ในโลกของความเป็นจริงว่าแท้จริงของสิ่งนั้นคืออะไร แท้จริงของสิ่งนั้นนน่ะคืออะไรก็คือสรุปขันประชมกันธาตุประชมกันอายตนะประชมกันเพราะในโลกนี้สิ่งที่อยู่เดียวได้ไหมมีไหมสิ่งที่อยู่เดียวเดียวโดดเดียวโดดเดียวดดเดียวดายลักษณะเนี้มีแต่เรียกว่าคํำมาใช้กับคนเนี่ยนะแต่ขนาดนั้นก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะมีสัตว์อื่นอยู่ร้อมเต็มตัวไปหมดเลยอะไรมัางเขอบอกว่าถ้าเราให้เราไปอยู่ในป่าคนน่ะเดียวใช่แต่ว่าไม่ใช่สัตว์เดียว เพราะ ม, มียุงล้อมรอบเต็มไปหมดเลยมีแมลงล้อมมีอะไรล้อมตั้งเยอะยในตัวอีกก็มีสัตว์ที่อยู่ในตามตัวอีกล้อมรอบเต็มไปหมดจะว่าเหงาไหมมันก็ยังมีผีรอบตัวอีกทั้งหมดเลยนาะแล้วก็แสดงว่าไม่มีไม่ไ ม, มีในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันโดดๆอยู่แท้จริงใช่ไหมก็ทำทั้งหลายแม้กระทั่งโดโดๆที่แท้จริงเนี่ยนะอย่างมีจิตเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าจิตก็มีเจตสิกประกอบอย่างน้อยเจ็ดวง คือกลุ่มทวิปัญจวิญญาณจิตสิบทวิปัญจาวิญญาณจิตสิ บ, ญญสบใช่อย่างน้อยที่สุดแต่ละดวงมีเจตสิกประกอบเจ็ดดวงภาพรูปอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นอวินิพโยครูปแปดเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันเดี่ยวนะในโลกของสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรเดี่ยวแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ประชมกันก็เป็นที่ตั้งแห่งการโวหารเรียกขานกล่าวกันไป แม้กระทั่งอย่างที่เรียกว่าดอกไม้เนี่ยนะดอกไม้จริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะมีโดดเดี่ยวอย่างเดียวใช่ไหมดอกไม้เมื่อวิจัยไปก็ยังมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแล้วเป็นทีะนะ่เพราะอะไรเป็นปัจจัยยังมีสีมีรสมีกลิ่นมีโอชาก็เพราะปฐวีเป็นปัจจัยเพราะอาโปเป็นปัจจัยเพราะวายโยเป็นปัจจัยเพราะเตโชเป็นปัจจัย นะเตชปทวีอาโปเตโชวาโยโก็เป็นปัจจัยแก่กันและกันแล้วยังเป็นปัจจัยแก่สีแก่กลิ่นแก่รสและโอชามันไม่สามารถอยู่เดียวได้ทีนี้ถ้าจะให้เขาสดใสไปยังก็ต้องมีอาหารเป็นต้นมามาหล่อเลี้ยงดูเขาในโลกของสังขารธรรมนี้เป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยปัจจัยดารงอยู่ด้วยปัจจัยสิ่งที่เกิดจากปัจจัยแล้วก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอาศัย ปัจจัยนีมย้มาช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยน่าสงสารที่สุดทําไมรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนคนขอทานที่คอยอุปการะจากผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาน่าเห็นใจไหมอย่างความรู้สึกที่เราใจดีดีใจเป็นต้นเนี่ยนะเรานี่จะต้องได้ปัจจัยเยอะๆนั้มาประกอบเราจึงจะดีใจได้ถ้าปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นมันพร่องไปเราจะดีใจต่อไปไหมไม่ดีใจแล้วนะเริ่มเริ่มแย่แล้ว อย่างสมมุตินะถ้าคนเออเราบอกเออเราชอบคนนี้มากคนนี้เห็นแล้วปั๊บเราดีใจเลยถ้าชีวิตติทรีมันทาเลิกทำกิจอันเดียวเนี่ยเราจะดีใจต่อไปไหมชีวิตตินรีเลิกทำกิจอย่างเดียวนะเศร้าใจเลยนะกลายเป็นร้องไห้โหแทนนะหรืออะไรนะหรืออันนะ้หนึ่งชีวิตตินรีเลิกทำกิจสองอะไรเลิกทำกิจนะนะหรือจิตนั้นเป็นจิตดวงสุดท้ายก็ชัก ก็เดือดร้อนนะสรุปว่าคนที่มีความสุขทุกเป็นต้นดำรงอยู่ด้วยปัจจัยทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดมันก็บอกว่าในโลกของสังขารนี่มันอนาถาจริงๆมันจะต้องคอยได้รับอุปการะจากสิ่งอื่นทั้งหมดเลยอย่างเช่นการเห็นของเราเนี่ยนะมันต้องอาศัยอะไรมังอาศัยตาอาศัยสีอาศั ย, สศยแสงสว่างอาศัยวัชนะการเห็นมันจึงเกิดขึ้นมันอนาถามากเลยนะจากคูวิญญาณ มันต้องอาศัยผส Nowadays, ัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินรีมณสิการเข้ามาช่วยมันมันอนาถามากโสตาวิญญาณก็อนาถาแม้กระทั่ง aged, สีทั้งหลายสีเนี่อนาธรมากต้องนำรงอยู่ด้วยปัทวีถ้าปัทวีเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนถ้าอาโปเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนถ้าวาโยเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนถ้าเตโชเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนพร้อมที่จะเปลี่ยนหมดทักเปลี่นเปลี่ยนนะเรแสดงว่าธาตุเหล่านี้เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนไปอีก อันในโลกของสังขารธรรมเนี่ยจึงเป็นโลกที่กําพร้าจริงๆนะจะต้องคอยเอาปัจจัยที่เหลือมาเกื้อกูลก็จากการพูดแล้วทุกคนก็กําพร้านั่นแหละใช่ไหมเอาก็ต้องอาศัยปัจจัยอยู่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะก็ลองสะพานกรุงเทพมันขาดสักห้าท่อนดูดเดเยวสะพานทุกอันเลยขาดหมดเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะทุกคนเหมือนคนกําพร้าหมดเลยมีรถก็ทําอะไรไม่ได้เอามีรถอยู่สิบคันเนี่ยเออทำไรได้บ้างเออ ไม่รู้จะไปเอาไปวิ่งตรงไหนนั่นแหละแต่อาณาถาทันทีเลยนะอย่างบางคนที่บ้านตึกสูงๆอ่ะล้วลองน้ำไม่ไหลดูจะเอาโอ้มีบุญมากสร้างครึอข่าอยู่ตึกสูงร้อยชั้นพอดีไฟดับน้ำขาดเนี่ยโอ้น่าเศร้าขนาดไหนเนอะ ชีวิตนี้ใครจะอาภัพเท่าเราอย่างนี้หรือเปล่านะตอนที่น้ำไหลไฟสว่างเนี่ยนะก็แหมใครจะโก้เท่าเราเลยลองน้าเลิกไหลไฟก็เลิกสว่างนี่สิแหมใครจะน่าเศร้าเท่าเราอย่างเง้ยน ะ, <c oughs> นะก็นี่มันก็อย่างนี้แหละท่านโลก ข, ของสังขารธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่มีเสถียรภาพอะไรหรอกมันคอยดำรงอยู่ด้วยปัจจัยซึ่งความจริงมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่มีผู้ใดมีอำนาจอย่างแท้จริงแต่คนผ่านทั้งหลายก็แอบหวังแอบหวังว่ามันน่าจะไม่เป็นไรมันน่าจะดีมันน่าจะสุขมันน่าจะราบรื่นมันน่าจะสบายไม่น่ามีปัญหานะมันแอบหวังไปเรื่อยแต่ว่าจริงอย่างที่หวังั้มถ้าจริงอย่างที่หวังในโลกนี้จะไม่เป็นแบบบันนี้หรอกที่เรากาลังฟังธรรมอยู่เนี่ยนะถ้าหากว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราหวังนะ่อาจจะไม่ได้ฟังธรรมวันนี้หรอก เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อตอนหลายสิบปีที่แล้วเราไม่เคยหวังว่าจะต้องมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมใครมีจินตนาการในชีวิตว่าอายุแก่ๆไปแล้วจะมานั่งฟังธรรมสมัยนั้นนะนะสมัยเมื่ออายุสิบห้าอย่างเงี้ยนะยมนุตได้คิดไว้ไหมว่าจะมานั่งฟังธรรมนี่อ้โหไ ม, ม่เลยเลยในโลกของความคิดอย่างเงี้ยนะโน่นจะไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาจนตายอย่างเงี้ยนะที่ไหนได้ก็นะในโลกของสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้จริงๆโลกนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ หวังตรงข้ามสิ่งที่หวังเสมอเช่นเราหวังว่าเที่ยงสังขารทั้งหลายเที่ยงไม่มีเราหวังว่ามันจะสบายสังขารที่เป็นที่ตั้งแห่งความสบายอย่างแท้จริงไม่มีเออเนี่ยนะถ้าเรากินอาหารให้อิม่มแล้วเราจักสบายจริงไหมไม่จริงกลับบ้านนอนแล้วเราจักสบายจริงไหมตื่นขึ้นมาอีกสบาย นอนไม่หลับสบายจริงไม่เอาไม่มีเลยที่มันจะสบายอะไรจริงๆนะนะวันในโลกของสังขารธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเราจะต้องฝึกพิจารณาให้พยายามที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้ความรู้สึกอันนี้เพิ่งมีไม่กี่ครั้งนะนะก็คือเดี๋ยวจะให้เราสวดมนต์สรรเสริญสังฆคุณสักพักหนึ่งก่อ น, น่ะนะคือถ้าพูดจน จนไอเลยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าอยากให้สวดมากกว่าสวดสรรเสริญสังฆคุณก่อนนะเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านี้ก็คือหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็คงสวดสังขานุสติจบก็คงฟังธรรมต่อได้สบายๆนะ